มาเข้าวัดเข้าวานะมาฟังธรรมหาคุณงามความดีใส่ตัวอย่ามาทำความชั่วในพัดอา้าวพวกยกมือสีพวกเข้าคอร์สหัดภาวนาก็ดีนะหัดไปสามวันแล้ว ใครรู้สึกว่าไม่เปลี่ยนแปลงเลยที่เข้าคอร์สที่ไม่ไม่เข้าใจไม่อะไรมีไหมยกมือนะกล้าหาไหน่อยหลวงพ่อจะได้ช่วยเหลือเป็นพิเศษมไม่ใช่อะไร <c oughs> เอาถือว่าผ่านหมดนะไม่ใะยกมือเราศึกษาธรรมะนะเพื่อประโยชน์สองอัน อันหนึ่งประโยชน์ของตัวเราเองในโลกนี้ความทุกข์มันมากเรามาศึกษาธรรมะเพื่อค่อยๆถอนความทุกข์ออกจากใจเราธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของประเสริฐสะอาดหมดจดเป็นของสูงถ้าเข้ามาสู่ใจเราใจก็จะโปร่งสว่างขึ้นมามีคุณงามความดีสังคม ทุกวันนี้เบียดเบียนกันตลอดเวลาเห็นเงินเป็นใหญ่ทําชั่วได้ทุกอย่างเพื่อเงินยังชิงกันกดขี่รังแกกันทุกรูปแบบเลยยังชิงกันเองบ้างรับจ้างทําชั่วบ้างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวสิ่งเหล่านี้เราไปแก้ที่คนอื่นไม่ได้เราเรามาแก้ที่ตัวเราเองมาเรียนธรรมะ คนอื่นชั่วเราห้ามเขาไม่ได้เราอย่าชั่วตามเขามาพัฒนาใจของเราให้มันสะอาดขึ้นเรื่อยๆอาจจะไม่ร่ารวยนะพออยู่พอกินแต่ชีวิตเราไม่เป็นหนี้ใครชีวิตที่เบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนคนอื่นไม่มีหูมีตาก็นึกว่าฉลาดถ้ามีหูมีตาจะรู้เลยมันเบียดเบียนตัวเองทำลายตัวเองในระยะยาว ชีวิตมีแต่จะตกต่ำลงไปเรื่อยๆเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้าระยะยาวชีวิตจะตกต่ำลงไปเรื่อยแต่พวกเรามาเรียนธรรมะนี่ชีวิตเราจะดีขึ้นเรื่อยๆสะอาดขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นประโยชน์อันแรกเลยคือประโยชน์ที่ตัวเราได้ได้ในปัจจุบันได้หลายอย่าง ตัวเราร่มเย็ยนเป็นสุขด้วยคนในครอบครัวเราก็ค่อยๆร่มเย็ยนบางบ้านเคยทะเลาะกันตลอดเวลาคนหนึ่งมาเรียนธรรมะอีกคนหนึ่งเห็นว่าคนหนึ่งเปลี่ยนไปละดูดีขึ้นสนใจมาเรียนธรรมะ ก, กันไปๆมาๆมาเรียนธรรมะ ก, กันทั้งบ้านครอบครัวร่มเย็ยนเป็นสุขขึ้นมา ไปอยู่ในที่ทำงานคนในที่ทำงานบางคนก็มีหูมีตาเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราในทางที่ดีขึ้นเขาก็สนใจเขาก็ถามว่าทำยังไงถึงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้เราก็ช่วยคนในที่ทำงานของเราได้คนรู้จักญาติมิตรอะไรพวกนี้อาจจะไม่ถึงขนาดตั้งตัวเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานองนะแต่ว่าทำตัวเอง เป็นแบบอย่างที่ดีคนอื่นเขาก็เลยหันมาสนใจธรรมะบ้างนะสังคมใหญ่ๆไม่ดีหรอกแต่สังคมย่อยๆรอบตัวเราเป็นสังคมที่ร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้นลูกเต้าอะไรก็ดีขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนี่ประโยชน์อันแรกเลยประโยชน์ต่อไปนะประโยชน์ระยะยาวนะ ถ้ามีหูมีตาก็จะรู้เราว่าสังสารวัตมันน่ากลัวนะมันยาวนานทรัพสมบัติในโลกเราสะสมเอาไว้นะก็อยู่ในโลกเอาไปไม่ได้ชักนิดเดียวเลยเราเอาคุณงามความดีติดตัวไปนะข้ามภพข้ามชาติไปได้อย่างบางคนภาวนานะทําไมเขาภาวนาง่ายจังทําไมชีวิตเขาดีจังน เาเขาเคยสะสมของเขามาบางคนทำไมเกิดมาก็สวยแล้วบางคนทำไมเกิดมาหน้าตาดูไม่ได้ไม่ใช่ยีนเนาะเราไปได้ยีนชนิดนั้นมาเพราะว่ากรรมกำหนดให้เราต้องไปเกิดตรงนั้นถ้ามีหูมีตาก็จะรู้รคนมีศีลมีธรรมมันงามอย่างคนไม่มีศีนนะ หน้าตาโมโหโทโสหน้าตาโลภจัดหน้าตาเห็นแก่ตัวจัดให้มันสวยขนาดไหนมันก็ดูน่าเกลียดคนมีศีลมีธรรมนะถึงตอนนี้ไม่สวยนะแต่มันก็ดูดีครูบาอาจารย์บางองค์ไม่หล่อสักนิดเลยคนไปนั่งมองท่านได้เป็นวันวันมองแล้วก็ปลืม้มมีความสุขเพราะท่านมีศีลมีธรรมเนี่ยถ้าเรามีศีลนะ เราก็สวยเราก็หล่ออาจจะไม่สวยหล่อตามมาตรฐานโลกนะแต่ใครเห็นเราล้วก็สบายใจนี่เราสวยแบบลึกซึ้งเลยแค่เห็นเราก็สบายใจแล้วอย่างเราเห็นหน้านางผู้ร้ายนะนะรับจ้างทาชั่วอะไรเงนี้เห็นแล้วไม่สบายใจเห็นคนมีศีลมีธรรมก็สบายใจถ้าเราเคยเจริญปัญญานะหัดวิปัสสนากรรมฐานนะ เราก็ทำมีปรัชนากรรมฐานง่ายมันะติดตัวไปไม่ยากหรอกบางคนตอนเด็กๆนะมีอารมณ์อะไรที่แรงๆมากระทบ ป, ปั๊บเนะี่ยพอมีอารมณ์แรงๆมากระทบ ป, ปั๊บนะ่จิตนี่ดีดตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานออกมาเลยนะจิตดีดตัวออกมาเป็นผู้รู้ได้แล้วมักจะลืมไปอีก แต่ว่ามันก็เป็นสั ญ, ญลักษณ์อันหนึง่งว่าของเก่าเคยทำพวกเราใครภาวนาแล้วมาถึงจุดหนึ่งรู้สึกว่าอันนี้เป็นของเคยเห็นมาแล้วมีไหมยกมือสิก็มีนะ<ม>โอ้เยอะ<ม>จะบอกให้ก็ได้ว่าส่วนใหญ่ก็ต้องเคยทำมาถ้าไม่เคยทำมาไม่สนใจหรอกสิ่งที่น่าสนใจในโลกนะี่เยอะแยะไปหมดเลย แล้วธรรมาไม่ค่อยน่าสนใจดูแล้วจุดชืดดูแล้วเป็นของคนโง่คนตกยุก ค, คนล้าสมัยแ้วทำไมพวกเราสนใจเพราะเรามีบารมีเราดูออกว่าอะไรเพชรแท้อะไรเพชรเทียมเพชรเก๋นนะบูบ้วบูบ้าบนะ้างะยิ่งกว่าเพชรจริงอีกพอเรารู้เท่ารู้ทันนะเรารู้ว่าอะไรดีทาไมรู้ได้ของมันเคยสะสมมา บางคนก็ทำสมาธิง่ายหาสมาธิประเดี๋ยวประดาวนะเข้าชาญได้บางคนหาแทบตายนะเหมือนสอนกวายให้สีซอ <c oughs> <c oughs> ไม่สำเร็จหรอ <c oughs> บางคนแป๊บเดียวเนจะ็ดวันนะได้เนวสัญญามีไหมมีมีหลักฐานนะคนนั้นชื่อสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะ ท่านไปเรียนกับฤาษีเจ็วันเองจบหลักสูตรแลร้วฤาษีบอกหมดภูมิที่จะสอนแล้วเชิญมาเป็นอาจารย์เชิญมาร่วมเป็นอาจารย์ช่วยกันสอนต่อท่านบอกว่าไม่มีสาระอะไรเลยหาสาระหาแก่นสารอะไรไม่ได้อันนี้ท่านเคยทาสมาธิสมาธิมันก็หมางง่ายคนไหนเคยเจริญปัญญานมันก็เจริญง่ายแยกธาตุแยกขันได้ แก้ธาตุแยกขันได้เคยมีโยมคนหนึ่งไปเรียนจากครูบาอาจารย์ฟังครูบาอาจารย์สอนให้ดูจิตดูใจสิบชั่วโมงเท่านั้นแหละแยกขันได้ล้แยกขันได้ของมันเคยทำตัวผู้รู้ก็เด่นขึ้นมานะเห็นขันแยกออกไปแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปจับเอาตัวผู้รู้ไปรักษาตัวผู้รู้ไว้ครูบาอาจารย์ก็มาแก้ให้ตรงนี้ไม่ถูก ตรงนี้เป็นการไปแทรกแสงอาการของจิตจิตจะคิดจะนึกจรุงจะแต่งนะไปแทรกแสงอาการไม่ให้มันคิดนึกปรุงแต่งอย่างให้มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลูกเดียวงั้นถ้าเราเคยทำอะไรไว้นะมันก็จะมาง่ายนี่ในทางดีนะเคยมีศีลก็มีศีลง่ายเคยฝึกสมาธิสมาธิก็มาง่ายเคยจเจริญปัญญาปัญญาก็มาง่ายกลับข้างกันนะเคยชั่วก็ชั่วง่าย ทีแรกก็ชั่วเล็กๆน้อยๆก่อนปริ้นปล่อนตลบตะแหลงเล็กๆน้อยๆต่อไปก็ได้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นเคยฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆได้ต่อไปก็ฆ่าสัตว์ตัวใหญ่ๆได้หน้าตาเฉยเคยบีมมดหนึ่งตัวได้ต่อไปฆ่ามดหมดหลังก็ได้เคยบน่นตอนแต่งงานใหม่ๆผู้หญิงไม่ค่อยขี้บ่นหรอกพอแต่งไปนานๆแล้วบ่นเก่งขึ้นเรื่อยๆ นี่เพราะว่ามีอาจินกรรมไม่ใช่โทษผู้หญิงนะผู้ชายไทยเนี่ยค่อนข้างไร้สาระไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยรับผิดชอบผู้หญิงนะทำงานก็หนักนะออกจากบ้านไปก็ต้องทํางานเข้าบ้านมาก็ต้องมาทํางานอีกผู้ชายไม่ค่อยยอมทําอะไรนะมาตื่นก็เปิดทีวีเปิดวีดีโอดูกินนอนกินนี้อวางถ้วยวางจานทิ้งให้ผู้หญิงล้างอีกผู้หญิงเหนื่อยมากๆก็เริ่มบน่นนะ บ่นไปบ่นไปนะกลายเป็นเอตทักคะทางบนนะ่นพอแก่เป็นทุกคนเลยนะเกือบหมดอนะ่ะต่อไปไม่รู้จะบ่นอะไรบ่นมา้าบ่นแมวบน่นบ่นไปหมดจิ้งจกมาก็บน่นจิ้งจกนะเคยชินเคยชินจะบน่นเคยชินจะดา่ามันก็ดา่าทีแรกก็ดา่าเบาๆนะต่อไปก็เป็นเอตทักคะทางดา่า ด่าได้ประณีตลึกซึ้งเจ็บแสบสมัยก่อนมีนะอาชีพรับจ้างด่าเออมีนะอาชีพรับจ้างตบก็มีนะตบอ า, อาชีพรับจ้างตีหัวเดี๋ยวนี้มันรวมอยู่ในอาชีพรับจ้างทวงนี้นะเอตทักฆะทักหลายเหล่าเนี้ยทําไมเขาเก่งเพราะเขาเคยฝึกของเข า, างั้น งั้นแหะอนาคตรเราจะดีขึ้นหรือจะเลวลงนะอยู่ที่ตัวเราเองนะธรรมะนี่แหละสอนให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาสะสมของเราไปใจเราคุ้นเคยกับของดีของงามนะอนาคตรเราต้องเจอสิ่งที่ดีที่งามชาตินี้เราปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุญบา ร, รมีเรามากพอเราได้มากได้ผลนะก็ปลอดภยัยถ้าไม่ได้ เราสะสมเอาไว้ไม่สูญหายชาติต่อไปภาวนาง่ายง่ายมากๆเลยนะยิ่งบางคนถ้าได้ธรรมะไปแล้วนะเป็นโสดาสกทาคามาเกิดเป็นคนอีกเจ็ดครั้งบ้างสามครั้งบ้างครั้งหนึ่งบ้างเลยภนะาวนาง่ายพอลงมือภาวนานะของเก่ามันคืนมาแล้วมันจะมีอาการคล้ายๆเกิดมาเกิดผลขึ้นมานะแต่จริงๆไม่ได้เกิดหรอกมันเป็นอาการของเก่าแสดงขึ้นมา เร็วใช้เวลาไม่นานแป๊บๆได้ธรรมะขั้นนั้นขั้นนี้แล้วความจริงของเดิมนะมาภาวนาต่อนะนค่อยกระยับไปอย่างรวดเร็วนะทำมาเยอะแล้วพวกเราเราไม่รู้หรอกว่าเราสะสมกันมากุลละแค่ไหนนะแต่หลวงพ่อก็ว่าไม่น้อยหรอกถ้าน้อยคงไม่ตั้งอกตั้งใจมาเรียนธรร ม, มนะเหมนคนถ้าไม่ตั้งใจเรียนธรรมะก็บารมีอย่างน้อยนะ ยังเวียนว่ายตายเกิดยังต้องทุกข์ทรมานไปอีกนานทำความดีก็ดีขึ้นมาหน่อยไม่เคยภาวนาทำดีไปไม่นานนันก็สบสู้กิเลสไม่ได้หันมาทำชั่วอีกมีไหมคนที่เริ่มต้นดีแล้วลงท้ายชั่วพวกนี้แย่นะพวกนี้แย่ยสว่างมามืดไปโชติธรรมปรายโน ผู้สว่างมามืดไปบางคนก็สว่างมาสว่างไปพวกที่เคยทํามาแล้วทํามาดีแล้วยิ่งดีกว่าเก่าอีกบางคนก็มืดมาก็มืดไปอีกทําความชั่วมากกว่าเก่าหางความดีติดตัวไปไม่ได้เราเลือกชีวิตของเราเองนะเงั้นทุกคนนั่นแหละลิขิตชีวิตของตัวเองจะหาพรหมที่ไหนมาลิขิตทุกคนลิขิตชีวิตของตัวเราเอง บางคนก็ทำลายโอกาสของตัวเองเกิดมาเป็นมนุษย์นะได้พบพระพุทธศาสนาไม่สร้างคุณงามความดีสร้างความชั่วพวกนี้ทำลายโอกาสของตนเองน่าสงสารที่สุดเลยสู้บางคนไม่ได้นะเขาเกิดในแผ่นดินที่ไม่มีพระพุทธศาสนาในนี้ที่นี่ก็มีฝรั่งมาเรียนนะฝรั่งมาเรียนเขามาอย่างลำบากนะหาทางจะอยู่ในเมืองไทยเพื่อจะเรียน ไม่ใช่ง่ายเลยเขาเห็นคุณค่าของศาสนาะส่วนพวกเราได้มาง่ายคนก็ล่าเลยไม่ฉลาดเลยงั้นพวกเราตั้งอกตั้งใจใหม่นะคนไหนยังย่อหย่อนอยู่ยังประพฤติผิดศีลผิดธรรมอยูนะ่เห็นแก่ลาบยศสรรเสริญเห็นแก่เงินทองทรัพย์สินทำความชั่วได้เราก็เลิกซะมาสร้างคุณงามความดีใส่ตัว มาพัฒนาศีลมาพัฒนาสมาธิพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตใจวิธีพัฒนาศีลสมาธิปัญญาต้องพัฒนาสติก่อนถ้าไม่มีสติก็ไม่มีศีลไม่มีสติก็ไม่มีสมาธิไม่มีสติก็ไม่มีปัญญาต้องมาสร้างสติให้เกิดก่อนคอยรู้ทันนะคอยรู้ทันอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้สึก อย่างร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกคอยรู้สึกอยู่ร่างกายเป็นสุขร่างกายเป็นทุกข์คอยรู้สึกอยู่าการที่เราคอยรู้สึกบ่อยๆต่อไปสติจะเกิดสตินั้นเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นถ้าจิตจาสภาวะได้แม่นนะพอสภาวะที่จิตรู้จักแล้วเกิดเนี่ยสติจะเกิดเอง อย่างถ้าเราหายใจออกเราคอยรู้สึกหายใจเข้าเราคอยรู้สึกต่อมาเวลาเราขาดสติเราเผลอความโกรธเกิดขึ้นปับ๊บจังหวะการหายใจมันเปลี่ยนเวลากิเลสเกิดจังหวะการหายใจเปลี่ยนนะไปสังเกตตัวเองดูถ้าเราเคยรู้ลมหายใจจนชินพอจังหวะหายใจเปลี่ยนปับ๊บสติเกิดขึ้นแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมามันจะรู้ทันเลยว่าใจนี้ไม่เหมือนเดิมซะแล้ว หรือคนไหนหัดดูความรู้สึกทางใจก็ได้จนะดูความรู้สึกทางกายก็ได้จะดูความรู้สึกทางใจก็ได้ให้ดูบ่อยๆจิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจเฉยๆก็รู้จิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจหลงจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจหดหู่คอยรู้ไปเรื่อยการที่เราหัดรู้สภาวะบ่อยๆต่อไปพอจิตเราเกิดความเปลี่ยนแปลงนี้เดียวเท่านั้น สติจะระลึกได้เองจะรู้เลยว่ามีอะไรแปลกปลอมขึ้นแล้วสติทำหน้าที่เหมือนยามอะไรแปลกปลอมขึ้นในกายก็รู้อะไรแปลกปลอมขึ้นในใจก็รู้สติเป็นแค่ยามนะรู้ถึงความแปลกปลอมรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหัดอย่างนี้บ่อยๆนะถ้าเรามีอะไรเกิดขึ้นในกายก็รู้มีอะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้เนี่ย ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไม่ใช่ของยากไม่ใช่ของเหลือวิสัยที่จะทำขึ้นมาอย่างพอเรากิเลสเกิดเนี่ยเราอยากจะดา่าเราอยากจะตีอยากจะทำร้ายอยากจะรักอยากจะขโมยนะจิตมันเปลี่ยนจังหวะหายใจก็เปลี่ยนอยากจะชกเขาเนี่ลมหายใจก็เปลี่ยนนะกล้ามเนื้อในร่างกายก็เปลี่ยนเกร็งขึ้นมาเตรียมจะชกเขาเนี่ยถ้าสติะระลึกรู้ก็จะรู้ หลงไปแล้วจะไปชกเขาแล้วนะมันก็ไม่ชกนะหรือเคยรู้ทันจิตใจตนเองไวนะ้ความโกรธเกิดขึ้นแวบมันเห็นเลยจิตที่เป็นปกติหายไปเกิดจิตที่โกรธขึ้นมาแทนนะสติระลึกปับ๊บความโกรธจะกระเด็นหายไปเลยจิตไม่โกรธแล้วศนะีลก็ เ, เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะสติเกิดนะศีลก็ เ, เกิดทําไมสติเกิดแล้วศีลเกิดเพราะทันทีที่สติเกิดนะอกุศลจะดับทันทีเลย รลภโกรธหลงจะกระเด็นหายไปทันทีนะสติเกิดนะเราฝึกให้ได้อย่างนี้นะมีสติบ่อยๆมีสติบ่อยๆจะมีสติได้บ่อยต้องคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจทั้งกายทั้งใจของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนนะอย่างเดียวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็เคลื่อนไหวเดี๋ยวก็หยุดนิ่งนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงนะ เดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายเรื่อยๆนะในร่างกายนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ก็ค่อยรู้ไปบ่อยๆอย่างนี้ก็ทําให้มีสติได้นะรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจใจเดี๋ยวก็สุขใจเดี๋ยวก็ทุกข์ใจเดี๋ยวก็เฉยๆหัดรู้ไปใจสุขก็รู้ใจทุกข์ก็รู้ใจเฉยก็รู้ถ้าหัดรู้อย่างนี้นะต่อไปสติก็เกิดง่าย ความสุขผุดขึ้นมาปุ๊บสติก็รู้ทันแลจิตมีความสุขเกิดขึ้นล้วความทุกข์นี้เดี๋ยวเกิดขึ้นมานะก็รู้ทันละสติเกิดบ่อนะหรือหัดดูกิเลสกิเลสตัวไหนเกิดบ่อยดูตัวนั้นเป็นหลักคนไหนขี้โมโหดูใจโมโหมันเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็โมโหคนไหนขี้โลภดูใจโลภเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็อยากดูบ่อยๆดูบ่อยๆไป พอเราดูบ่อยๆนะแต่ไปพอความโลภความโกรธอะไรผุดขึ้นในใจนิดเดียวสติะระลึกได้มันะระลึกเองมันรู้ขึ้นมาได้เองนะหัดอย่างนี้เรื่อยๆนะทันทีที่เรารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตในใจนะกิเลสจะดับสีนัตนามัตจะเกิดขึ้นนี่คือวิธีรักษาศีลที่ง่ายที่สุดเลยไม่ใช่สียากศีลลําบากเหมือนที่เราเคยคิดว่ารักษายากเหลือเกิน ต่อไปก็มาฝึกนะเรามีสตินี่แหละคอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดจิตที่ไม่มีสมาธิก็คือจิตที่ฟุ้งซ่านไหลไปไหลมาลืมเนื้อลืมตัวไปจิตมันหนีไปคิดนั่นแหละส่วนใหญ่ถ้าจิตหนีไปคิดเรามีสติรู้ทันนะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นมางั้นถ้าจิตฟุ้งซ่านเรามีสติไปรู้ทันนะฟุ้งซ่านส่วนใหญ่ก็หนีไปคิดเน่พอหนีไปคิดแวบเรารู้ทันนะสติก็เกิดสติเกิดปุ๊บ จิตจะตั้งมั่นเองเลยนะจิตจะตั้งมั่นเองสมาธิก็มาโดยง่ายแต่เดิมเคยฝึกสมาธิทําให้สําเร็จนะแต่มาฝึกง่ายแล้วใจไหลไปคิดปั๊บรู้ทันนะใจก็มีสมาธิลักษณะของจิตที่มีสมาธิชนิดนี้ก็คือจิตใจมันจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนือ้อลืมตัวนะจะรู้สึกตัวขึ้นมาไม่หลงไปไม่เผลอไปนะ จิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เนี่ยจะมีความเบามีความอ่อนโยนมีความนุ่นนุ่มนวลมีความคล่องแคล่วว่องไวมีความซื่อตรงในการรู้อารมณนะ์อะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้อะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้ไม่เข้าไปแทรกแซงรู้ด้วยไม่ใช่หลงไปรู้แล้วก็ไม่เข้าไปแทรกแซงด้วยนี่แหละคือจิตที่ทรงสมาธิที่ดนะีไม่ใช่แค่สงบงา แ, แง้งนะสงบแล้วก็เห็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เห็นอะไรต่ออะไรออกนอกไปนะ อันั้นไม่ดีเท่าไหร่หรอกนะก็ดีเหมือนกันสนุกดีแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลนิพพานนะอยากได้ของดีของวิเศษนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนะี่จิตมีสมาธิอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็สามารถเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้เพราะจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวมันไม่ลืมกายลืมใจมันไม่เพ่งกายเพ่งใจ เลื่มกายเลื่มใจก็ใจลอยหนีไปคิดเรื่องอื่นเพ่งกายเพ่งใจก็ไปดักไปจ้องไว้จิตเครียดเครียดแข็งแข็งแน่นๆหนักหนักจิตไม่เบาไม่อ่อนโยนไม่นุม่มนวลไม่คล่องแคล่ว ว, ว่องไวไม่ควรเกี่ยวกับงานนะังั้นเราเอาแค่ง่ายๆจิตรเราไหลไปคิดเรารู้ทันจิตไหลไปคิดเรารู้ทันนะจิตจะตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาได้สมาธิช น, นิดที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความนุม่มนวลมีความเบามีความอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไว ควรแก่การงานพอเรามีจิตชนิดนี้แล้วนะเราก็อาศัยสติอีกแหละมีสติไปรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายมีสติไปรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจแต่รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางรู้ด้วยจิตที่เป็นคนดูถึงตอนนี้แหละปัญญาจะเกิดตอนแรกเรามีสติรู้กายมีสติรู้ใจนะแต่ว่าเราไม่มีจิตที่ตั้งมั่น เรมีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยสติจะเกิดงั้นเราคอยรู้กายคอยรู้ใจบ่อยๆนะสติเกิดนี่พอสติเกิดแล้วเรามาฝึกจนกระทั่งจิตตั้งมั่นขึ้นมามีศีลมีสมาธินะจิตตั้งมั่นอยู่กันเนื้อกับตัวอยากมีศีลก็มีสตินี่แหละรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นที่จิตศีลก็จะเกิดขึ้นอยากได้สมาธิก็อาศัยสตินั่นแหละรู้ทันจิตที่หลงไปคิดจิตที่ฟุ้งซ่าน จิตที่มีสมาธิก็จะเกิดขึ้นพอเรามีจิตที่มีสมาธิแล้วก็อาศัยสติรู้กายรู้ใจไปอย่างเดิมนั่นแหละแต่รู้ด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่นนี่ต่างกันตรงนี้เองถ้าเรามีจิตที่ตั้งมั่นแล้วมีสติรู้กายรู้ใจไม่ใช่แค่เกิดสตินะสติก็จะเกิดมากขึ้นมากขึ้นนะเพราะว่ามันได้รู้กายรู้ใจอยู่สติก็จะได้ฝึกฝนรู้สภาวะได้มากขึ้นมากขึ้นในขณะเดียวกันเรารู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นมันจะเห็นความจริง ไม่ใช่รู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจอย่างเดียวแต่จะเห็นความจริงของกายของใจด้วยว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเรากุศลอกุศลทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นผู้รู้นะก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวตนถาวรเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเจริญปัญญา งั้นเราจเจริญปัญญาได้โดยอาศัยสติรู้กายรู้ใจนะแล้วก็อาศัยสมาธิคืออาศัยใจที่ตั้งมัน่นรู้เนือ้อรู้ตัวอยู่ไม่ลืมเนือ้อลืมตัวแล้วก็ไม่เพ่งกายเพ่งใจจนแข็งแข็งถ้าเพ่งกายเพ่งใจจนแข็งแข็งเนี่ยจเจริญวิปัสสนาไม่ได้นะงั้นอย่างบางคนไปดูท้องพองยุบแลดูจนตัวแข็งเลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่วิปัสสนาแน่นอนนะมีแต่งํารากันไว้นะซึ่งมันคลาดเคลื่อนจากสภาวะเลยบอกว่า เมื่อเข้าสมาบัติตัวแข็งแจ้งชัดประสาทหยุดงานหมดความรู้สึกคิดนึกทุกสถานอารมณ์นิพพานบรมสุขสันต์อันนี้ขัดแย้งพี่ทำเลยจะไปรู้อารมณ์นิพพานต้องมีจิตไปรู้ถ้าไม่มีจิตไปรู้มันจะไปเอาอะไรไปรู้นิพพานอันวเป็นบรมสุขสันต์ไม่มีนะหรือบอกว่าเวลาเกิดมาเกิดผลไม่มีจิตนมาขจิตมีตั้งยี่สิบดวงพ ล, ลจิตอีกยี่สิบดวงหายไปไหน จริงๆไม่ใช่มีจิตอยู่ตลอดมีสติอยู่ตลอดสายของการปฏิบัติเลยไม่ขาดสตินะสตินี่แหละถึงเป็นของดีของวิเศษนะนี่หลวงพ่อให้ของวิเศษใครอยากได้ของวิเศษมารับออกไปวิเศษยิ่งกว่าของวิเศษทั้งหลายนั่นคือสติกับปัญญาห่ะได้ไปนิพพานไม่ได้มีสติมีปัญญาไปนิพพานได้เพราะฉะนั้นอยากได้ของดีของวิเศษนะฟังธรรมแล้วค่อยๆฝึกตัวเอง เคยชั่วมาไม่เป็นไรนะเริ่มต้นใหมนะ่เคยดีอยู่แล้วอย่าทำความชั่วให้มันดีขึ้นไปอีกมาฝึกสติบ่อยๆนะคอยรู้ทันความเคลื่อนไหวของกายรู้ทันความเคลื่อนไหวของใจนะทีแรกเวลารู้ทันนะจิตถลําลงไปรู้นี่เรียกยังไม่มีสมาธิต่อไปพอมีสมาธนะิจิตตั้งมั่นก็เห็นกายมันเคลื่อนไหวไปเห็นใจมันเคลื่อนไหวไปจิตอยู่ต่างหากเป็นคนดูอยู่ต่างหาก ถ้าอย่างนี้จะเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามของกายของใจที่เคลื่อนไหวอยู่นะนี่ให้ของพิเศษไปแล้วนะยิ่งกว่าเงินแสนเงินล้านอีกนะมีเงินร้อยล้านพันล้านนะพอตายก็แ e n งแมง้งนะลูกหลานเอาไปถลุงหมดอ่นะมีสติมีปัญญานี่แหละเอาติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปนะถ้าทำได้เต็มที่เต็มภูมินะต่อไปไม่ต้องเกิดอีก มีความสุขที่สุดเลยนะไม่ใช่มีความทุกข์นะก่อนจะตายมีชีวิตที่เหลืออยู่โดยปราศจากกิเลสจิตที่ไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งได้มันเป็นจิตที่เป็นสุขที่สุดเลยเป็นจิตที่เป็นบรมสุขทำไมเราต้องปล่อยจิตของเราให้จมกับความทุกข์นี่รันดอนลองถามตัวเองสิ คนที่เขาไม่รู้ทางไม่เคยได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้าเขาต้องปล่อยจิตให้จมทุกนิรันดร น, นั้นเพราะเขาช่วยตัวเองไม่ได้พวกเราได้ยินธรรมะเรื่องสติเรื่องปัญญามาแล้วนะเรามีโอกาสช่วยตัวเองได้แล้วถ้าไม่ช่วยตัวเองก็โง่ที่สุดแล้วล่ะนะอย่าเห็นของไม่มีสาระเป็นของมีสาระนะอย่าทำบาปทำอกุศลเพื่อแลกกับเงินรื่งเอาไปใช้กินวันสองวันก็หมดอนยะ่างนี้ ต้าสร้างคุณงามความดีมันติดเนื้อติดตัวข้ามบคข้ามชาติไปอ้าวไปกินข้าว